เมื่อคืนวันที่23กุมภาพันธ์พศ2512ณวัดป่าบ้นต่าจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมพันูคำว่าศาสนาหมายถึงพระอวตา การสั่งสอนออกมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของของศาสนาตามหลักธรรมชาติแล้วธรรมะมีอยู่ทั่วไปคนเดียวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่ขึ้นอยู่กับผู้จะมีความเฉลียวฉลาดจะค้นคว้าหาสิ่ง น, นั่ น, น, นมาทำประโยชน์นั่นเป็นไปตามรายของบุคคลซึ่ธรรมะก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดไม่ค้นพบภายในประไทย มิรากดผลเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นภายในแพลตไถของพระองค์แล้วที่นึ่งนำธรรมะที่โดยทรงรู้ทร ง, ห, รทรงห็นออกมาแสดงยิ่งกลายเป็นศาสนาขึ้นมาที่นำออกมาแสดงนี้เป็นชื่อแห่งธรรมเป็นความสุขเป็นชั้นๆ แสดงถึง่งความสุขความทุกข์ความดีความชั่วซึ่งนวนแล้วแต่เป็นชื่อของธรรมชื่อของศาสนาที่นำออกแสดงศาสนาแท้อยู่ที่ใจของมนุษย์เราแต่ไม่สามารถจะปฏิบัติและค้นพบได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้า เพราะการทำดีทำชั่วอยู่กับกายวาจาใจของคนเราการสอนให้ละชั่วทำดีก็สอนตรงที่มนุษย์เราผู้จะทำผู้จะทาการละความชั่วประพฤติความดีก็คือมนุษย์เราผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติ ได้มากน้อยนั่นแหละชื่อวัรรมคือเกิดขึ้นจากผู้นั้นจริงจรที่แรกก็ต้องอาศัยการชีแชร้แจงแสดงหรือจะเรียกว่าศาสน า, าเป็นเข็มทิศทางเดินก็ได้คือชี้แนวทางที่ผิดต่อบอกในสิ่งที่ผิดพยายามละเว้น เนืที่แนวทางที่ตูกให้พยายามประพุทธปฏิบัติไปตามหลักธรรมที่สอนไว้นี่เียเป็นฝ่ายเหตุส่วนผลก็คือความสุขที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมมากน้อยปรากฏขึ้นกับใจของตอนเองมีเราซึ่งเป็นนักบวชผู้มุ่งประพุทธปฏิบัติ ศาสนาธรรมก็เกิดนาสนใจในเัวของเราเองท่านที้แงบอกไว้อย่างไรอย่าลืมมองย้อนเข้ามาสู่ตัวเราผู้กำลังจะเป็นไปทางผิดและทางผูกอยู่ทุกขณะนี้นี่เป็นจุดสาคัญที่เราจะต้องมองกันทุกคนเพราะศาสนาสอนเข้ามาจุดนี้ทั้งนั้นไม่ได้สอนไปที่อื่น เพราะความผิดถูกทั่วดีอยู่กับจุดนี้คืออยู่ที่กายวาจาใจของมนุษย์เราศาสนาจึงต้องสอนลงที่นี่สอนไปที่อื่นไม่ถูกตามจุดที่ต้องการในเพศพระท่านก็สอนไปอีกตัวเพศหนึ่งเพศฆราวาสญาติโยมก็สอนไปอีกตัวเภศหนึ่ง เพราะต่างเพศกันธรรมะที่จะนําไปปรีพฤติปฏิบัติให้พอเหมาะสมกับนักบวชและฆราวาสจึงต้องมีแยกกันเพราะเพศและหน้าที่การงานนั้นผิดกันฉะนั้นสีนจึงมีทั้งศีนักบวชและสีฆราวาสส่วนธรรมนั้นท่านไม่กําหนดว่าจะเป็นฆราวาสหรือนักบวชปฏิบัติ มีสิทธิที่จะกระพติปฏิบัติได้เช่นเดียวกันหากเรามีความสามารถหรือมีเวลามเวลาพอจะปฏิบัติได้ไม่มีการจีดกันเพราะฉะนั้ น, นารวาสจึงมีโอกาสที่จะบำเพ็ญตนให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้เช่นเดียวกับบรรพิตคือนังบวชแม้ในครั้งพุทธการก็ปรากฏว่ามีผู้บรรลุอริพมรรคเป็นจานวนไม่น้อย ทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นคารวาสิเพราะเหตุว่าการปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยแต่ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ถูกต้องนั้นเท่านั้นมีเป็นจุดใหญ่แห่งธรรมที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีสิทธิจะต้องปฏิบัติได้ด้วยกันทุกคนส่วนศีนั้นมีแยกประเภท สีน่าสีนแปดนี้เป็นศีลสำหรับกระวาจะบำเพ็ญเป็นนิกายสีนี้จะบำเพ็ญ เ, เ, เป็นบางการศีลสิบสีนสองร้อยี่สิเจ็ดนี่เป็นศีลของนักบวชนักจะสามเณรขึ้นไปถึงพระอันนี้แยกกันตามหน้าที่และเพศซึ่งบอกอยู่แล้วว่าเพศนิ้วเหลืองห่มเหลืองนี้คือเพศนักบวชศีลสึงมีแยกประเภทกัน อันนี้เป็นกฎอันหนึ่งเช่นเดียวกอบกฎหมายแต่เป็นทางทาวินัยทางพระท่านเรียกว่าวินัยแต่ว่าการนำเสียซึ่งโทษโทษที่จะเกิดขึ้นจากกายวาจาของตนเกี่ยวกับความล่วงละเมิดในสีข้อใดข้อหนึ่งใน227ข้อนั้นล้วนแล้วแต่จะเป็นโทษขึ้นมาท่านให้นำออกเสียจึงเรียกว่าวินัยนี่เป็น สีนส่วนใหญ่ส่วนปีกย่อยอีกเป็นจานวนพันพันที่อันนี้อนุบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นทีหลังระดับทำแล้วเหมือนกันศาสนาพุทธเราไม่มีการบังคับบัญชาผู้จะรับนับถือหรือไม่ไม่มีการบังคับบัญชากันนับถือได้ตามความชอบใจ ใครชอบนับถือก็ได้ไม่ชอบนับถือก็ได้วางไว้เป็นสมบัติกลางแต่เมื่อเข้ามานับถือแล้วผู้ที่นับถือนั้นมีความหวังผลหวังประโยชน์จากการนับถือศาสนาจึงต้องมีการบังคับตนให้เป็นไปตามหลักธรรมมีหนาเช่นแต่ก่อนเรายังไม่ได้บวช เราจะทําอย่างไรก็ได้เพาเราเป็นฆราว่าไม่มีศีลอะไรจะขัดข้อไม่เพราะไม่มีกฎแต่เวลาเรามาบวชแล้วราบวชเป็นเนนกฎของเนนมีเท่าไหร่บวชเป็นพระกฎข้อบังคับของพระมีเท่าไหร่เราต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ตามแบบของเนนของพระไม่เข้มง่ารกผิดศีลของตนการผิดศีลไม่ใช่ศีลจะเป็นความเสียหายแต่เราผู้ ล่วงละเมิดนั่นแลเป็นผู้เสียหายศีลก็คงเป็นศีลแต่เราผู้ทำผิดก็ต้องเป็นโทษสาหรั บ, บเราเองเพราะฉะนั้นจึงควรชั้งรวมเราผู้มีศีลถ้าต้องการศีลให้เป็นความสวยงามเป็นเรื่องประดับกายวาจาและทำใจให้ชุ่มเย็นเพราะความมีศีลแล้วก็ต้องเป็นเรื่องบังคับตนอยู่ในตัวศาสนามีการบังคับในเมื่อเรารับนับถือ เพื่อหวังคุณ ง, งามความดีแก่ศาสนาแล้วการบังคับตนเองให้เป็นไปตามหลักของพระธรรมนี่ไหนนั้นเป็นเรื่องของเราทุกทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามอยวนั้นถ้าปฏิบัติผิดก็ไม่รับผลอะไรจากศาสนานอกจากจะเป็นโทษแก่ตนผู้ละเมิดทั้นั้นทำก็เหมือนกันทำท่านก็ไม่บังคับแต่ผู้ต้องการทำ รือต้องการธรรมะเป็นเครื่องประดับใจก็ต้องเป็นผู้มีการบังคับตนเองท่านจิงสอนไว้ว่าชันทะให้มีความพอใจในการบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตนวิริยะให้มีความภาคผูมจิตะมีความปัอดไัยอย่าทำทำจิตใจให้เหินห่างจากการปฏิบัติ มีปฏิบัติชอบอั น, นเป็นบอ่อเกิดแห่งคุณงามความดีที่มังษาจะทําสิ่งใดให้มีการไตร่ตรองอย่าทําด้วยความพื่อฆาเพราะศาสนาสอนมาอย่างละเอียดจะออกผู้ชรงศาสนาจึงควรเป็นผู้ใค ร, ร่ควรเพื่อเป็นความฉลาดตามหลักที่ศาสนาสอนไว้อืมถ้าให้เพียรให้พยายามก็เหมือนกับบังคับให้อดทนเช่นสันติ ความอดทนนี่เรียกว่าบังคับและคุณบังคับให้มีความเพียรบังคับตนเองคนอื่นได้ไม่มาบังคับได้เราต้องบังคับเราให้มีความเพียรพยายามให้มีความอดความทนหิวบ้างกระหายบ้างเมื่อบ้างเพียรบ้างเจ็บปวดบ้างเป็นทุกข์บ้างแล้วแต่จะเกิดขึ้นทางร่างกายส่วนใดเราต้องเป็นผู้ยอมรับ เป็นผู้อดทนต่อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยเป็นผู้อดทนต่อความแทะเทียนที่จะเป็นไปทางความสุขความเจริญด้วยอเรียกว่าบังคับเราเองเพราะความหวังเป็นเรื่องของเราความหวังคือหวังความสุขความเจริญความดีทุกอย่างเราหวังทางนั้นความสุขไม่ว่าจะสุขทางกายทางใจมากน้อยเราหวังด้วยกัน และสิ่งที่จะให้สมหวังคืออะไรเพรได้แก่การกระทําบําเพ็ญตนเองการกระทําหรือการบําเพ็ญ น, นี้ต้องอาศัยการบังคับบัญชามัางไม่เช่นั่นก่อเป็นไปไม่ตลอดสายเพราะฉะนั้นการบังคับจึงเป็นคู่เคียงกันไปกับความหวังพึ่งตนเองหรือหวังพึ่งธรรมต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมไม่เช่นนั้นก่อเตะ การเผยออกไปนอกลู่นอกทางไม่ว่าจะเผอในทางภายนอกไม่ว่าจะเผอทางภายในย่อมไม่สมําเร็จประโยชน์เห็นเราเดินทางเผยออกจากทางที่ถูกต้องไปในทางที่ผิดเสียก็ เ, เป็นประโยชน์ประโยชน์ทาอะไรถ้าเผยจากหลักที่ถูกต้องจากทางที่ถูกต้องจากสิ่งที่ถูกต้องแล้วย่อมไม่เป็นผลทางนั้นเห็นอันถึงต้องพยายาม พึกหัดตนให้เป็นไปตามทางที่ถูกนี่ต้นเหตุที่จะให้เกิดการบังคับเราเพราะความหวังพึ่งเราหวังต้นศาสนาหวังพึ่งความถูกต้องสิ่งไหนที่ผึกแม้อยากจะทําก็ต้องฝืนไม่ทําฝืนใจไม่ฝึกฝืนกายฝืนวาจาไม่พูดไม่ทํา ที่ฝืนเ่านี้และเรียกว่าบังคับตนอเองสังรวมให้ระวังให้บังคับนีการกำหนดภาวนาก็เช่นกันจิตใจตามปกติแล้วจะต้องมีการคิดออกภายนอกตามธรรมดาของจิตรู้สึกจะร้อยทั้งร้อยไม่ได้คิดเข้ามาสนใจตัวเอง คิดออกขณะตาก็ต้องเป็นไปกับสิ่งภายนอกทั้งนั้นไม่ได้ย้อนเข้ามาสู่ภายในส่วนนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมะต้องมีการยังมีการคิดย้อนเข้ามาข้างในได้เพราะคำว่าเรียนธรรมะกับการปฏิบัติธรรมะนั้นพูดง่ายๆก็คือเรียนเรื่องของตัวเองให้รู้เรื่องของตัวเอง อ่านตัวเองให้รู้จุดที่บกพร่องผิดถูกตรงไหนแล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองนี่เรียกว่าเรียนทำคือเรียนเรื่องขอ้ตัวเองปฏิบัติทมก็คือปฏิบัติต่อตัวเองในทางที่ถูกตามส่วนขาตัดทมที่พระพุธทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเพราะฉะนั้นทมกับเราจึงแยกกันไม่ออก ถายังมีความหวังความดีและหวังความสุขความเจริญอยู่แาบใดทางที่จะเป็นไปสู่ความสุขความเจริญก็คือแนวทางแห่งธรรมะที่ทำสอนไว้ที่เรียกว่าสวัสดิโตภวตาธรรมะซึ่งเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบยิ่งแล้วไม่มีบกพร่องไม่เลยขอบเขต เป็นหลักมัชชิมาล้วนๆคือจัดไ้อย่างตรงแน่วไปถึงจุดหมายปลายทางทีเดียวจึงให้นามว่ามัชชิมาศูนย์กลางนี่หลักการดำเนินทางปฏิบัติได้อธิบายถึงเรื่องการเรียนทำ เรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะคือการเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติตัวเองทมกับเราแยกกันไม่ออกไอ้ท่านว่าปฏิบัติขา้างไหนไลยทรางว่าทมกับเราอยู่ห่างไกลกันเพียงไร ห, หรืออยู่ด้วยกันถ้าจิตได้ย้อนเข้ามาคิดอ่านไตรตรอง หรืออ่านเรื่องของเราพยายามหาจุดบกพร่องของเราอยู่เสมอแล้วผู้นั้นจะเห็นทางที่ถูกดีงามเสมอไปคือจุดไหนที่มีความบกพร่องพยายามแก้ไขจุดนั้นแล้วส่งเสริมจุดที่ถูกต้องให้มีความเจริญ ย, ยิ่งขึ้นไป ในหลักธรรมะท่านสอนให้โอปนณะอิโกคือจิตที่คิดออกไปข้างนอกก็เพื่อประโยชน์ข้างในเห็นได้ยินชิน่งใดที่มาสัมผัสคิดเข้ามาภายในเทียบเทียงกับตนในส่วนผิดถูกชัว่วดีที่เกี่ยวกับการเห็นการได้ยินขายนอกแล้วพยายามปรับปรุงตนเองต่อไป สิ่งที่เห็นนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ยึดมาเป็นประโยชน์ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ย้อนเข้ามาดูตัวของเราว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ถ้ามีอยู่ภายในตัวก็จะได้พยายามแก้ไขนี่คืออ่านตัวเองเรียนตัวเองเรียนเรื่องของตัวเองย่อมรู้เสมอเพราะวันหนึ่งหนึ่ง เรื่องของเราจะแสดงอยู่ตลอดเวลาคือความคิดตุงโดยมากก็คิดออกไปทั้งนอกถ้าตั้งใจเรียนธรรมะก็ต้องย้อนเข้ามาภายในได้จิตใจที่หาความสงบเยือก เ, เย็นไม่ได้เพราะความส่งออกไปภายนอกไม่ใช่สินใดมาทำการจีดขวาง ไม่ให้จิตสงบได้แต่เป็นเรื่องของความคิดเพี้ยเองเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วส่งตนออกไปข้างนอกจนเป็นความเคยชินไม่สนใจที่จะคิดย้อนเข้ามาสู่ภายในเพราะฉะนั้นใจจึงหาความสุขไม่เจอคิดไปวันยังคําคืนยังหลุ่มตลอดปีตลอดเดือนทั้งๆที่หวังความสุขความจเจริญภายใน จ, ใจิตใจ แต่ก็ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ร่มร้อนเท้าขาจิตใจให้รับความทุกข์ความลาบากอยู่เสมอไม่มีวันจะเจอความสุขได้เพราะความคิดเป็นเครื่องยางความตนเชื่อเองแต่เราไม่ทราบว่าความคิดนี้เป็นภยัยต่อตนอย่างไรบ้างเมื่อได้เรียนได้ปฏิบัติธรรมะธรรมะท่านต้องชี้บอกเสมอว่า ความคิดประเภทใดที่เป็นคุณแก่ตนความคิดประเภทใดที่เป็นโทษแก่ตนให้เลือกเฟ <millions> ้นความคิดนั้นๆและการพูดประเภทใดเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นการทําประเภทใดเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นและเป็นคุณแก่ตนและผู้อื่นทำผู้เรียนทำต้องเลือกเฟ <scholar> ้นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์พยายามส่งเสริมสิ่งนั้นให้มีกําลังมากขึ้น ส่วนสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นสิ่งนั้นควรงดเว้นแม้จะงดเว้นไม่ได้ในขณะนั้นก็ต้องทาความพยายามงดเว้นไปโดยลำดับจนสามารถละเว้นได้โดยเด็ดขาดดังพระหันทันทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เกิดขึ้นจากการบังคับบัญชาตนเองเพราะใจมีเจ้าของหรือตัวของเรามีเจ้าของ ถ้าเจ้าของไม่ระมัดระวังไม่รักษาไม่สงวนเอาไว้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเรือนซึ่งเรานํามาใชาป้ประโยชน์ตามเวลาท้องหมันเราก็ต้องมีการเก็บรักษาไว้เวลาต้องการก็นํามาใช้ได้ไประโยชน์ไม่ได้ทิ้งเกลื่อนกาดซึ่งทําให้เสียประโยชน์ไปต่อไป เราใจของเราก็เป็นสมบัติอันหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังรักษาและส ม, มนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงควรไข้ ค, ควรตรวจตราดูความคิดอ่านผิดถูกดีชั่วของตอนว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งได้คิดปัญทางใดมากเนี่ยว่าอ่านตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนายิ่งเป็นการอ่านตัวเองโดยชัดเจนหรือโดยตรง การปฏิบัติต่อตัอตวเองโดยตรงขณะภาวนาคือการระวังพอเริ่มภาวนาก็เริ่มระวังจิตใจที่จะคิดออกไปสู่ภายนอกแล้วหางานที่ถูกต้องให้จิตทำเวลานั้นเช่นเรากําหนดทําบทใดๆก็าตามมีอนาปานสติเป็นต้นเป็นอารมณ์ของใจให้ได้อาศัยอยู่กับการหายใจเข้าใจออกเป็นอารมณ์ของใจ มีความรับรู้และสติตั้งไว้ที่ลมสัมผัส ต, ตามแต่ความถนัดของผู้บำเพ็ญเป็นรายไปไม่ให้จิตส่งออกไปสู่ภายนอกนอกจากกิตที่กำลังทำอยู่เวลานั้นเท่านั้นกิตเมื่อได้รับการระมัดระวังอยู่เสมอและมีสติคอยกำกับไม่ให้เคลื่อนคราดจากงานที่ทำ ยอมจะมีความสงบการคิดออกไปภายนอกก็เบาเลงทุ่มเทกำลังเข้ามาสนใจกับงานที่กำลังทำอยู่มีอนาปาณทสติการทำความรับรู้กับลมหายใจเข้าออกเป็นต้นซึ่งเป็นงานจำเป็นของตนในขณะนั้นได้เมื่อไม่มีงานอื่นทำทำอยู่เฉพาะงานที่ชอบทำผลย่อมเป็นผลที่ชอบทำขึ้นมาให้ผู้บำเพ็ญได้รับ กล่าวคือความสงบเย็นใจขึ้นในขณนะนั้นที่ท่านเรียกว่าจิตสงบลงเป็นสมาธิถูกํำหนดทำบทใดเช่นพุโทโธพุโทโธภายในใจก็ให้ทำความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุโทโธบทนั้นไปตลอดสายใดเมื่อได้รวมความคิดอ่านต่างๆและความสนใจในสิ่งอื่นทั้งหลาย เข้ามาเป็นความสนใจในจุดเดียวย่อมมีกำลังมากและจะเห็นความรู้ของตนที่กำลังทำงานอยู่กับคำว่าบรบกรรมนั้นได้อย่างชัดเจนจะแยบออกไปสู่อารมณ์อะไรด้วยอำนาจของสติที่ระมัดระวังอยู่เวลานั้นก็ย่อมทราบพันได้แล้วย้อนกลับ เข้ามาสู่ที่เดิํทำความกำหนดรู้อยู่เสมอด้วยคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นใจเมื่อได้รับการร ะ, ระวังรักษาอยู่เสมอยอมจับเป็นใจที่สงบเมื่อใจสงบอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นภาระและเสียดแทงจิตใจมาเป็นเวลานานา ได้ปล่อยวางภาระคืออารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้าสู่ความเป็นตนของตนโดยไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆเหลือแต่ความรู้ที่เกี่ยวกับคำว่าพุทโธนอกจากนั้นปล่อยจากคำว่าพุทโธเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวคือรู้อยู่เฉยนี่เป็นจิตที่มีความสงบสุขเป็นจิตที่เยือกเย็นเป็นจิตที่แปลกประหลาด และเป็นจิตที่อัศจรรย์มีความเบาความสบายรวมอยู่ที่นั่นหมดนี่คือจุดแห่งความสุขที่เราต้องการมาเป็นเวลานานแต่ไม่ทราบว่าอะไรแน่คือความสุขในโลกนี้ที่จะเป็นความสุขอันพึงมุ่งหวังจริงๆพอมาเจอจุดนี้เท่านั้นเราจะเห็นความสุขทันทีว่าสิ่งที่เราพึงประสงค์ คือความสุขนั้นนึกว่าอยู่ที่ไหนๆขั้นแล้วก็มาปรากฏอยู่กับใจดังนี้ในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเรื่องของศาสน า, า, าที่พระพุทธเจ้าท่านท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกนั้นจุดหมายปลายทางก็เพื่อให้เห็นความจริงไม่ว่าจะเป็นสุขส่วนยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าจะเป็นสุขภายนอกภายในพระพุทธเจ้าสอนไว้โดยถูกต้อง เช่นผู้เป็นค า, ารวาสก็ให้ปฏิบัติตามหน้าที่แห่งค า, ารวาสมาให้ผิดสิ่งรมของค า, ารวาสทำมาอาชีพปฏิบัติตนโดยถูกทางของความเป็นค า, ารวาสพุทธมามา ก, กะที่นับถือพระพุทธศาสนาผู้นั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุขสามีกับภรรยาเมื่ออยู่ด้วยกันต่างคนต่างหวังซึ่งเป็นพึ่งตายพึ่งสุขพึ่งทุกข์ต่าง คนต่างเป็นสมบัติของการละกันต่างคนต่างรับผิดชอบชิ่งการละกันและต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจกันเลยไม่กล้าที่จะทําในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องทาแต่สิ่งที่ดีงามในกู้ครองทั้งสองนั้นก็ย่อมได้รับความติกตามฐานะของตนที่ปฏิบัติถูกในข้อนี้พระพุทธเจ้าที่ทรงเน้นหนักลงเกี่ยวกับ พระาวา่าผู้ครองเดือนก็คือกาเมจุมิฉาจาันนี่เป็นหลักใหญ่มากเพราะท่านเห็นความเสียหายอย่างร้ายแรงอยู่ที่จุดนี้สำหรับผู้มีคู่ครองจุดนี้เป็นจุดที่ทำลายจิตใจอย่างมากและสามารถที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ผลพี่ย่อ ย, ยับประจำตามกันมา้เมื่อสิ่งนี้รุนแรงและสิ่งอื่นที่ควรแก่คลาวาสมีสายพระพุทธเจ้าขอสอนไว้เช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แม้จะเป็นคราวาสก็พอมีความสุขความสบายไม่ฟุ้งเฟอเฮอเอือนไม่เล่เนลมเมื่อรืนตัวไม่ซุรุสยุรา ไม่ทำให้ผูดเครื่องจนเกินไปคือไม่เป็นคนประหนี๋เหนียวแน่นจนมองดูหน้าใครไม่ได้และไม่เป็นคนฟุ้งเฟอ้อหรือฟุ่มเฟอือยจนมีอะไรก็มีขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับเอาตะกร้าไปตักน้ำตักน้ำในมหาสมุทรก็ไม่มีค้างไม่ว่าแต่เพียงจะตักน้ำในบึงในบอ่อเพราะตะกร้ามันไม่มีที่เก็บน้ำมันทะลุอมหมด ไม่ว่าข้างไมาว่าค้นไว่าที่ไหนทั้งตัวของมันนั้นทะลุไปหมดตัดน้ำในที่ไหนไม่อยู่นี่จิตใจที่พยายามทำลายตอนโดนไม่รู้สึกตัวจนกลายเป็นจิตที่รั่วแตกซึมโดยเจ้าตัวไม่รู้จนกลายเป็นนิสัยแล้วก็เก็บอะไรไม่อยู่เหมือ น, นกันมีมากมีน้อยเก็บไม่อยู่มีแต่ความอยากเป็นประมาเนี่ความฟุ้งเฟอ้อ ควลืมตัวหาความสุขไม่เจอจะมีเงินเป็นจํานวนแสนแสนล้านล้านก็หาความสุขไม่เจอเพราะไม่รู้จักวิธีเจ็บรักษาแทนที่จะจะหาความสุขความทั้งรานให้เป็นความสุขเป็นชั่วขณะแล้วมีความทุกข์ไปตลอดเวลานี้เป็นเวลานานๆนอกจากนั้นทําคนอื่นให้รับความทุกข์เพราะความไม่รู้จักประมาณไม่พอดีของตอนอีก ด, ด้วยครับพรธเจ้าท่านก็สอนไว้ คือความรู้จักตมาณไม่ว่าาราวาสไม่ว่าพระท่านสอนอย่างนั้นทางนั้นคือสอนให้ถูกต้องตามฐานะและเพศใบของบุคคลผู้ปฏิบัติคือนักบวชและเป็นผู้ปฏิบัติท่านก็สอนพระเกแงนงสอนการอบรมจิตใจคือการภาวนาเป็นต้นที่ท่านสอนตั้งแต่ต้นจนถึง ยอดทำเหียเรียยว่าริมุตผนิผานสอนให้รู้หมดการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติและเป็นนักัวชอีแล้วจึงควรสนใจให้มากท่านว่าจิตเป็นสมาธิท่านก็พูดในหลักของศาสนาหลักของศาสนาก็มีไว้สำหรับผล เราก็คนคนหนึ่งทำไมจึงไม่สามารถจะปฏิบัติตนให้จิตเป็นสมาธิลงหน้าดังที่ท่านสอนไว้นี่ก็ควรจะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับปับจิตใจของเราให้เป็นข้อคิดไปทุกๆระยะเราจะปรากฏคําว่าใจสงบเป็นสมาธิขึ้นที่ใจของเราด้วยความพยายามอันเนื่องสืบเนื่องมาจากข้อ ค, คิดข้อนั้นได้ในวันหนึ่งแน่นอน ในครั้งพุตธการาศาสนาข้างโน้นกับศาสนาครั้งนี้เป็นอันเดียวกันสอนเรื่องสัจธ ร, รรมอันเดียวกันสอนพุทธบริษัทคือปิกฐุอุบาสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเช่นเดียวกันสอนสัจธรรมเรื่องสัจะธรรมก็คือทุกจงรูไทยนิโรธมากเหมือนกันสอนเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อความสุขความเจริญเหมือนกันออกจากพระโอษคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันทำแท่งเดียวกัน มนุษย์เช่นเดียวกันทำให้พวกเราจึงได้ยินแต่ข่าวแต่คราวว่าท่านองค์นั้นสําเร็จพระโสดาท่านองค์นั้นสําเร็จพระสกิทาคาท่านองค์นั้นสําเร็จพระอนาคาท่านองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์เป็นสาวก ข, ของศาวซดาเอกของโลกเราทําไมจึงไม่ปรากฏเป็นอย่างนั้นบ้างนี่ขึ้นอยู่กับอะไรเราควรจะทําความสนใจในจุดนี้เพื่อการเตือนตัวของเราให้ ตื่นิดตื่นใจแมน่รีดเร่งต่อความภาคเพียรทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสมบัติกลางขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติใครเป็นผู้มีความพยันหมั่นเพียรใครเป็นผู้ชอบคิดอ่านไตรตรองด้วยปัญญาผู้นั้นจะเป็นไปได้ในรมที่กล่าวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภูมิใดภูมิต่ำภูมิกางภูมิสูงภูมิสูงสุด ไม่พ้นจากเงื้อมือของเราผู้มีความเพียงนี้ไปได้เลยทรวมาสมาธิเรามอบให้แจ่ตำหรักตาราท่านเสียตัวเราไม่ได้มาสนใจประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นสมาธิขึ้นที่ใจเราจึงไม่มีโอกาสที่จะทราบสมาธิว่าเป็นเช่นไรความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นเป็นอย่างไรบ้างเราจึงไม่เจอ ถ้าเราเจอสมาธิขึ้นที่ใจของเราด้วยข้อปฏิบัติของเราจริงๆแล้วความสุขที่เกิดขึ้นขึ้นจากสมาธิมีจํานวนมากน้อยหนักเบาเพียงไรเราจะทราบได้ด้วยตัวของเราเองเพราะธรรมท่นานตรัสไว้แล้วว่าสันทิพทิโกผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นเองไม่มีสิ่งใดมากกิดขวางได้ควรจะทําใจให้เห็นความสงบสุขภายในใจของตรอย่างน้อยจิตเป็นสมาธิเพราะนักบวชไม่มีหน้าที่การงานอันไรเลย มีแต่การจะปฏิบัติรักษาจิตใจให้เข้าระดับแห่งความสงบสุขเท่า น, นั้นเป็นอย่างน้อยนอกจากนั้นก็เป็นความเฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสปัญหาอาสวะทึ่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจนี้ออกไปทุกระยะระยะจนสามารถถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงกลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลขึ้นมาในนี้เช่นเดียวกับครังพุทกาเพราะพ่อปฏิบัติสอนไว้แบบเดียวกัน ผู้ปฏิบัติก็คือคนแบบเดียวกันมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีสิ่งใน บ, บุค่องนอกจากระบบเครื่องเพรา่อปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมที่สอนไว้เท่านั้นเช่นทาน่านสอนไว้ให้มีความขยันหมั่นเพียรแต่ตนกลับขี้เกียจเสียอย่างนี้ขัดแย่งกันท่านสอนให้มีความอดทนเราอ่อนเอะไม่อดทนมีขัดแย่งกันท่านสอนให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดแต่เรากลับ ส่งเสริมความโง่ไม่ได้คิดค้นหาปัญญาเพื่อถอดถอนสิ่งที่กีดขวางภายกนจิตใจของเรานี่ก็ขัดแย้งกันการปฏิบัติขัดแย้งกันผลจึงต้องขัดแยง้งจะให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ทาจารสอนไว้นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เราควรจะทราบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เช่นนั้นจะเป็นเรื่องนอนใจอยู่เสมอวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปเรื่อยๆผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ค่อยมี เราก็จะเป็นโมฆะบุรุษใช่การไม่ได้คำว่าโมฆะคือเปล่าหม้อเป่าเปล่าก็ไม่เป็นประโยชน์ต้องการจะทําทประโยชน์ก็เอาอะไรบรรจุลงไปใส่น้ําต้มน้าร้อนหุงต้มแกงอะไรได้เปาเปล่าไม่เป็นประโยชน์โมฆะบุรุษ ก, ก็ไม่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันเราจรึงไม่ควรจะทําตนให้เป็นโมฆะบุรุษในเพศเห่งท่านผู้มีความภาคเพียงท่านผู้มีความขยัน ท่านผู้มีความอดทนทนท่านผู้มีความเฉลียวฉลาดคือขาธรรมดาของเราท่านทรงเพศนี้พุทธังทำมังทั้งทางสังนางฉามิเราเปร่งถึงท่านว่าเป็นสรณะของเราเราเปร่งถึงว่าเป็นรณะประเภทใดประเภทยอมเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อหลักความจินตามท่านมิแช่เลยถ้าเราเชื่ออย่างนั้นความเปียงของเรามีความจริงแค่ไหนสําหรับตนเวลานี้บกช่องที่ตรงนั้น สติปัญญาของเราบกช่องที่ตรงไหนซึ่งควรจะฟิตตนเองให้เป็นไปตามหลักธรรมยิ่งสมกับว่าพุทธังทำมังคังคังตานังกราฐาน้ไม่ได้สอนให้นอนนิ่งอยู่เฉยไม่เป็นประโยชน์นักบวชไม่มีความเพียรไม่มีใครจะมีความเพียรในโลกนักบวชไม่สนใจนักบวชไม่พินิจพิจารณาไม่ไข้กลวนไม่มีใครจะไข้กลวนในโลกนักบวชไม่ฉนาดใครจะฉลาดนักบวชไม่อดทนใครจะอดทนจะเอาอะไรไปสอนโลก เราเป็นคนอด่อนแอจะไปสอนโลกให้มีความเข็ญมังเพียนมีอย่างที่ไหนไม่มีเราไม่รู้สอนโลกให้รู้รู้ไม่ได้เราเป็นคนโง่สอนคนในฉนาดฉนาดไม่ได้เราเป็นผู้สศหมองหาคามที่เหลือตัณหาเต็มหัวใจจะสอนคนให้บริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้เราควรดูเยื่ยอใยสัตวาธรรมดาก่อนจะนํามาสอนโลกบริสุทธิ์ทุกโพทุกอย่างพูดถึงเรื่องความเพียรไม่มีใครสู้สลบสลายไปถึงสามครั้งจึงได้กลายมาเป็นศัตดาความ เรื่องความสมุกสมบัตความทุกข์ความทรมานเราเห็นแล้วในปร ะ, ประวัติไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์เรานะตามตประกอบความเพียแล้วประกอบเพียงเท่านี้เข้าใจแล้วเลยว่าความเพียรนี้ยิ่งกว่าถูกถ้าเป็นอย่างนั้นก็เเคนอนใจอีกตลอดอวาวุาสเวลานำมาสอนโลกทาให้นำกิเลสมาสอนนำความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดที่สุด เรียกว่าจิตวิสุทธิจิตนาสอนนะเราจะเอาอะไรสอนเราเราจิตจิตของเรามีกิเลสเอาทําที่มีกิเลสเข้ามาสอนจิตที่เกียจเอาความขยันเข้ามาบังคับจิตอ่อนแอเอาความเข้มแข็งเข้าบังคับจิตงโง่หาอุบายคิดพิพพพจารณาจนเกิดความฉลาดทำท่านสอนให้ฉลาดทงางนั้นไม่สอนโง่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปปะมีองค์ของปัญญาขึ้นต้นเลย คนโง่จะเป็นหัวหน้างานไม่ได้ไม่ว่างานประเภทไหนแม้แต่เป็นหัวหน้าบ้านก็เป็นไม่ได้หัวหน้าครอบครัวก็ไม่ดีต้องเป็นผู้ฉลาดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโเนี่ยคือองค์ปัญญาเดินหน้าเลยในมรรคแปดขึ้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโฆขึ้นเป็นหน้าเนี่ยเราเป็นคนโง่จะนําตัวให้ไปทางไหนถ้ทำเอาความฉลาดเข้าไปนหน เราเห็นเคยเห็นโทษไม่ใช่เลยว่าอันใดที่ผิดพลาดไปโดยมากเกิดขึ้นจากความโง่เขลาบ่ปัญดาไม่ได้คิดอ่านไตรตรองถ้านําปัญญาเข้าไปใช้ไม่ว่ากิจงานการอันไดความเคลื่อนไหวไปมาทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้จะไม่สวยงามก็แสดงว่าคิดแล้วเต็มกําลังของปัญญาแล้วทุกวิสัยแต่ถ้าไมไ่คิดเลยอะไรๆก็ไม่ดีเป็นนิสัยสักเข้ามางา่ายจะกลายเป็นคนโง่ต่อไปตลอด หรือถอนตนออกจากทุกข์พ้อรื้อไม่ได้เพราะความโง่ไม่สามไม่มีทางที่จะทำคนให้พ้นทุกข์นอกจากความฉลาดความที่เกียรติไม่สามารถจะส่งเสริมสมบัติเงินทองให้คนมีความมากมือขึ้นแต่ได้นอกจากความขยันหมั่นเพียรความอดความทนทา น, นั้นผู้จะกอบโกยเอาธรรมสมบัติเข้ามาบรรจุที่หัวใจก็ต้องเป็นคนเฉลียวฉลาดต้องเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรไม่ทอแท้าย okay. ไม่เห็นแก่หลักเก่หนไม่เห็นแก่ปากแก่ทองนี่หลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนี้แเราเวลานี้เราเป็นข่าสิกต่อธรรมเหล่านี้หรือไม่ถ้าเป็นคําว่าเป็นข่าศึกคือขัดแย้งกันท่านสอนว่าอย่างนั้นเราทําอย่างนี้ท่านสอนเงินอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เรียกว่าขัดแย้งกันถ้าเป็นงั้นเราก็เป็นข่าสิกต่อธรรมในเพศแห่งพิฆูตัวย่างรู้สึกตัวเราต้องทําความสานึกอย่างนี้สําหรับเราเองการสอนนี้เพื่อให้ข้อคิดจากท่านทั้งหลาย ผู้มาศึกษาอบรมด้วยได้นำไปเป็นข้อคิดธากิจกิตจิตใจของตนให้มีสติสตงังตั้งหน้าตั้งตา ป, ปฏิบัติยาได้เกิด ค, ความนอนตังผลที่จะพึงได้จะเป็นที่สมไม่มีทางเป็นอื่นได้พยายามทมใจให้สงบคำว่าสมาธิไม่อยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ใจของผู้มีความเพียรอบรมพรวาจะปรากฏขึ้นที่นี่ องของสมาธิที่แท้จริงอยู่กับหัวใจชื่อของสมาธิมีเต็มไปหมดตามตำลับตำราเดียนกันจนไม่หวาดไม่ไหวชื่อชื่อของสมาธิชื่อของปัญญาชื่อของมรรคผลนิพพานมีเต็มไปหมดทุกคมภีร์แต่ตุองค์ของมรรคผลนิพพานจริงจริงค์ของสมาธิองค์ของปัญญาจริงจรไม่ไม่ปรากฏถ้าไม่ปรากฏที่ใจนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นการบำเพ็ญการปฏิบัติจึงต้องดูอ่านหัวใจตนให้ให้ดี จใจคิดไปอะไรบ้างอ่านให้ดีอ่านให้รอบคอบบังคับให้ได้พิจารณาให้แยบขายใจตรงนี้จะทรงมรรคทรงผลขึ้นมาไม่ต้องไปหาที่ไหนคําว่ามรรคผลนี่ผ่านคําว่าสมาธิพอดีปัญญาพอดีไม่ต้องหาที่ไหนหาเอาจากความเขียนเนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียนทำท่านเรียนในหลักธรรมาชาติจนได้เป็นศาสดราของโลกเรานําธรรมะนั้นมาเป็นแบบระแบบับประพฤติปฏิบัติตามทําไมจะเป็นโมคะบุคคลไปได้ ต้องเป็นผู้สมมากสมผลในอย่างแน่ขอให้นำไปนําไปพิจารณาให้เป็นเจ้าของสมบัตินับแต่สมาธิขึินไปถึงปัญญาถึงวิมุตตหลุดพ้นจะได้จะได้จากข้อปฏิบัตินี้เพราะคำว่าสวัสดธรรมนั้นชอบทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรจะไปเพิ่มเติมว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าบกพร่องในจุดนั้นไม่มีอะไรที่จะพูดว่าเกินไปธรรมะพระพุทธเจ้าควรตัดออกในบทนั้นบทนี้ไม่ สมบูรณ์แบบทีงเรียกว่ามัชชิมาท่ำกลางเลยทีเดียวสอนไว้ดังถูกต้องถ้ามั่มเสมอเ้าพยายามทำให้ถูกต้องแต่เป็นเจ้าของสมบัติคือมรรคผลนิพพานาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเวลจริขอยุติเพียงทรงนี้